มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาตัดติยวัคเจตนาลักษณะปัญหาที่11บอ็ดถามว่า เจตนามีลักษณะอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาเจตนามีลักษณะประการใดพระนาคเสนจิงวิสันาแก้ไขว่ามหาราชาขอถวายพระพรโบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเจตนาเมื่อจะบังเกิดนั้น เจตยิตะลักณามีลักษณะยังตนและผู้อื่นให้ตรึกตรองซึ่งอารมณ์อภิสังขาระสถนะลักษณมีลักษณะประกอบตกแต่งด้วยตนเองขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรตรัสว่านิมน์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาให้แจ้งก่อนพระน่ า, าเกษรถวายพระพอรอุปมาว่ามหาราชะ ดุราณะบ่อพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดชายผู้หนึ่งตกแต่งยาพิษกินเองแล้วให้ผู้อื่นบริโภคอีกอีกประการหนึ่งได้แก่บุคคลผู้หนึ่งกระทำอกุศลด้วยเจตนาของตนแล้วอย่างผู้อื่นให้ตรึกตรองกระทำการอากุศลด้วยส่วนตนที่ตรึกตรองกระทำเองก็ไปบังเกิดในทุกติจตุราบาย ฝ่ายคนทั้งหลายที่ตรึกตรองกระทำอากุศลตามก็ไปนทนทุกข์ในทุกคติจัตุราบายด้วยกันนี่ว่าฝ่ายข้างอากุศลทีนี้จะว่าโดยฝ่ายข้างกุศลได้แก่บุรุษผู้หนึ่งตกแต่งประกอบสัปปินวานิชน้าพึ่งน้าอ้อยบริโภคเข้าไปเองก็อร่อยยังคนอื่นให้บริโภคด้วยก็อร่อยฉันใดอุปมาดังบุรุษผู้หนึ่ง ตึกตรองกระทําซึ่งการกุศลด้วยตนเองยังไม่หนําซ้ํายังบุคคลผู้อื่นให้ตรึกตรองกระทําการกุศลด้วยส่วนตนเองก็ไปสู่สุคติสวรรค์ผู้อื่นซึ่งกระทําตามนั้นก็ไปสวรรค์ด้วยฉั้นใดเจตนามีลักขณะตรึกเองแล้วให้ผู้อื่นตรึกด้วยและมีลักษณะแต่งตนเองดุดเปรียบมานี้ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรได้ทรงฟังก็โสมนัสตรัสว่ากัลโลสิสาธุสะพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรเจตนาละขณะปัญหาเป็นคำรบสิบเอ็ดจบเท่านี้